ชาตอนโกกีลาผู้ประหารกิเลสโกกีลาเออยเธอได้สละเพศคารวาดมาแล้ว ซึ่งเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ยากที่ใครๆจะสละได้ขอให้เธอเสียสละต่อไปเถอะและสละให้ลึกกว่านั้นคือไม่สละแต่เพียงเพศอย่างเดียวแต่จงสละความรู้สึกอันจะเป็นค่าศึกต่อเพศเสียด้วยเธอเคยฟังสุภาษิตอันกินใจยิ่งมาแล้วไม่ใช่หรือในคนร้อยคนหาคนกล้าได้หนึ่งคนในคนพันคน หาคนเป็นบันณฑิตได้หนึ่งคนในคนแสนคนหาคนพูดจริงได้เพียงหนึ่งคนส่วนคนที่เสียสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่รู้ว่าจะมีหรือไม่คือไม่ทราบจะคำนวณออาจากคนจำนวนเท่าใดจึงจะเฟ้นได้หนึ่งคนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นนักเสียสละตัวอย่างของโลกเคยมีกรรษัตริย์องค์ในบ้างละ่ะทาได้เหมือนพระพุทธองค์ ยอมเสียสละความสุขความเพลินใจทุกอย่างที่ชาวโลกปองหมายมาอยู่กลางดินกลางสายก็เพื่อทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่มนุษยชาติการเสียสละของพวกเราเมื่อไปเทียบกับการเสียสละของพระบระมศาสดาแล้วของเรานะ่ยช่างเล็กน้อยเสียนิดกระไร น, น้องหญิงพระศาสดาดตรัสว่าบุคคลอาจอาศัยตัณหาละตัณหาได้ อาอาศัยมานะละมานะได้อาจอาศัยอาหารละอาหารได้แต่เมฐุนธรรมนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอนให้ชักสะพานเสียคืออย่าท่อสะพานเข้าไปเพราะอาศัยละไม่ได้ข้อว่าอาศัยอาหารละอาหารนั้นคือละความพอใจในรสของอาหารจริงอยู่สัตว์โลกทั้งมวลดำรงชีพอยู่ได้เพราะอาหาร ข้อนี้พระศาสดาก็ตรัสว่าแต่มนุษย์และสัตว์เป็นอันมากติดข้องอยู่ในรถแห่งอาหารจนต้องกระสือกระสนกระวนกระวายและต้องทําชั่วเพราะรถแห่งอาหารนั้นที่ว่าอาศัยอาหารนั้นก็คืออาศัยอาหารละความพอใจในรถแห่งอาหารนั้นบริโภคเพียงเพื่อยังชีพให้ชีวิตนี้เป็นไปได้เท่านั้นเหมือนคนเดินทางข้ามทะเลทรายเสเบียงอาหารหมด และบังเอิญลูกน้อยตายลงเพราะหิวโหวยเขาก็จำใจต้องกินเนื้อบุรเพียงเพื่อใช้ข้ามทะเลซายได้เท่านั้นหาติดในรถแห่งเนื้อบุดไม่ข้อว่าอาศัยตันหาละตันหานั้นนะ่ะคือเมื่อทราบว่าภิกษุภิกษุนีอุบาสกอุบาสิกาชื่อโน้นได้สำเร็จเป็นโสดาบันสกทาคามีอนนาคามีหรือว่าอารหันก็มีความทยานอยากที่จะเป็นบ้าง เมื่อพยายามจนได้เป็นแล้วความทยานอยากอันนั้นก็หายไปอย่างนี้นะ่ะเรียกว่าอาศัยตัณหาละตัณหาล่ะข้อว่าอาศัยมานะละมานะนั้นน่คือเมื่อได้ยินได้ฟังพิสุหรือพิสุณีหรืออุบาสกอุบาสิกาชื่อโน้นได้สำเร็จเป็นโสดาบันเป็นต้นก็มีมานะขึ้นว่าเขานะ่าะสามารถทำได้ทำไมเราซึ่งเป็นมนุษ และก็มีอวัยวะทุกส่วนเหมือนเขานะ่ะจะทำไม่ได้บ้างล่ะจึงพยายามทำความเพียนเผากิเลสจนได้บรรลุโสดาปฏิผลบ้างอรหัตผลบ้างอย่างนี้นะ่ะเรียกว่าอาศัยมานะละมานะเพราะเมื่อบรรุแล้วมานะนั้นก็ย่อมไม่มีอีกดูก่อนน้องหญิงส่วนเมธุนธรรมนั้นน่ะใครๆจะอาศัยละไม่ได้เลย นอกจากจะพิจารณาเห็นโทษของมันแล้วเลิกละเสียห้ามใจไม่ให้เลื่อนไหลไปยินดีในกามาสุขเช่นนั้นน้องหญิงพระาศาสดาตรัสว่ากามาคุณนั้นน่ะเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากมีโทษมากมีความคับแค้นเป็นมูลมีทุกข์เป็นผลพระอ น, นุ์พูดจบ คอยจับกิริยาของโกกิลาพิสุณีว่าจะมีความรู้สึกยังไงทานันกถาของท่านไดผลพิสุนีค่ อ, คอยๆลุกจากเตียงสลัดผ้าห่มออกคลานมาหมอบลงแทบเท้าพระอนุนเสอือกสือื่นจนสั่นเทิมไปทั้งตัวนางนะ่ะพูดอะไรไม่ออกนางเสียใจอย่างสุดสิงอันความเสียใจและละอายนั้นถ้ามันแยกกัน เกิดคนละครั้งก็ดูเหมือนจะไม่รุนแรงเท่าใดนักหรอกแต่เมื่อใดทั้งความเสียใจและความละอายเนะี่ยเกิดขึ้นพร้อมๆกันและในกรณีเดียวกันด้วยแล้วนะย่อมเป็นความทรมารสำหรับสตรีอย่างยิ่งนางเสียใจเหลือเกินที่ความรักของนางไม่ได้รับสนองเลยแม้แต่น้อยคาพูดของพระอ น, นุหล้วนแต่เป็นคาเสียแทงใจสาหรับนางผู้ยังหวังความรักจากท่านอยู่ ยิ่งกว่านั้นเมื่อนางทราบว่าพระอนนท์ไม่ได้เชื่อในอาการลวงของนางเลยานางจึงรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าอย่างแรงและอายสุดที่จะประมาณได้านางจึงไม่สามารถพูดคำใดได้เลยนอกจากถอนเสอเอื้นอยู่ไปมา การร้องไห้น่ะไม่มีประโยชน์อะไรไม่ช่วยเรื่องหนักใจของเธอให้คลายลงได้หรอกข้าแต่พระคุณเจ้านางพูดทั้งเสียงเสื่ืดพลิกษูผู้เป็นปัจชาสมณะของพระอานนท์ต้องเบือนหน้าไปเสียทางหนึ่งเกรงว่าไม่สามารถจะอดกลั้นน้ำตาได้ข้าพระเจ้า จะพยายามกล้ามกลืนฝืนใจปฏิบัติตามโอวาทของท่านแม้จะเป็นความทรมานสักปานใดข้าพเจ้าก็จะอดทนและขอเธอทูลบูชาพระพุทธอนุชาไว้ในฐานะเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงข้าพเจ้านะไม่เจียมตัวจึงต้องทนทุกทรมานถึงปานนี้นะข้าพเจ้าเป็นเพียงหญิงทาสทูลแมาน้ำ ข้าพเจ้าเพิ่งสํานึกตนเวลานี้เองว่าความรักความอาลัยเนี่ยทำให้ข้าพเจ้าลืงกําเนิดชาติตระกูลและก็ความเหมาะสมใดๆทั้งสิ้นมาหลงรักพระพุทธอนุชาผู้ทรงศักดิ์ข้าแต่ท่านผู้สืบอริยวง์กายกรรมวจีกรรมที่ข้าพเจ้าล่วงเกินท่านและจะพึงขอโทษนั้นน่าไม่มีส่วนมโนกรรมนั้นน่ามีอยู่ ข้าพเจ้ารักท่านและรักอย่างสุดหัวใจถ้าการที่ข้าพเจ้ารักท่านนั้นเป็นความผิดขอท่านผู้ประเสริฐโปรดให้อภัยในความผิดพลาดอันนั้นด้วยเถอะนางพูดจบแล้วนั่งก้มหน้าน้ำตาของนางหยดลงบนกีวรผืนบางเสมือนหยาดน้ําค้างถูกสลัดลงจากใบหน้าเมื่อลมพัดเป็นครั้งคราวน้องหญิง เรื่องชาติเรื่องตระกูลนั้นน่ะจะนำมาปรารบเลยอาตมานอะไม่ได้เคยคิดถึงมันเป็นเวลานานมาแล้วที่อาตมาไม่รักน้องหญิงนะ่ะไม่ใช่พระอาตมามาเกิดในตระกูลอันสูงสักส่วนเธอเป็นทาสีหรอกแต่เป็นเพราะว่าอาตมานะเห็นโทษเห่งความรักความสเสน่หาตามที่พระศาสดาทรงสอนอยู่เสมอเวลานี้เนะี่ย อาตมามีหน้าที่ต้องบำรุงพระาศาสดาผู้เป็นนาถของโลกและพยายามทำหน้าที่กำจัดอสวะในจิตใจไม่ใช่เพิ่มอสวรให้มากขึ้นเมื่ออสวะยังไม่สิ้นย่อมจะต้องเวียนว่าอยู่ในวัฏสงสารอีกจะเป็นเวลา น, านานเท่าใดนั่นก็สุดจะคำนวณพระาศาสดาตรัสว่าการเกิดบ่อยๆน่ะเป็นความทุกข์เพราะเมื่อมีการเกิดความแก่ความเจ็บ และความทรมานอื่นๆก็ติดตามมาเป็นสายนอกจากนี้นะเนี่ยผู้วนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนะอาจจะมีบางชาติที่ประมาทพลาดพลั้งไปแล้วต้องตกไปในอบายเป็นการถอยหลังไปอีกมากกว่าจะตั้งต้นได้ใหม่ก็เป็นการเสียเวลาของชีวิ ต, ตไปม่ใช่น้อยทีเดียวน้องหญิงเธออย่าน้อยใจในชาติกลกูลอันต่ำต้อยของเธอเลย บุคคลนะ่นจะเกิดในตระกูลเจสัตพราหมแพทย์หรือสูตรก็ตา่างย่ำตกอยู่ภายใต้กฎธรรมดาเหมือนกันหมดก็คือเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วในที่สุดก็ต้องตายความตายนะย่อมขวาดล้างสรรพสัตว์ไปโดยมิละเว้นใครไว้เลยและใครๆก็ไม่อาจต่อสู้ด้วยวิธีใดๆไ ด, ไ ด, ได้นอกจากนี้มนุษย์ทุกคนนน รู้มีเลือดสีแดงรู้จักกลัวภัยและก็ใคร่ความสุขเสมอกันเหมือนไม้นาน า, นาชนิดเมื่อนามาเผาไฟย่อมมีเปลวสีเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้นะ่ะจะมัมวมาแบ่งแยกกันอยู่ทำไมล่ะ ว, วาคนนั้นนะ่ะเป็นวันนาสูงคนนี้เป็นวันนาต่าเรามาช่วยกันกระพือสันติสุขให้แก่โลกที่ร้อนอะอุนนี้จะไม่ดีกว่าหรือมนุษยนะ์น่ะไม่ว่าจะเกิดในวันนาใด เมื่อประพฤติดีก็เป็นคนดีเหมือนกันหมดเมื่อประพฤติชั่วก็เป็นคนชั่วเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเน่ะขอให้น้องหญิงเลิกน้อยใจในเรื่องชาติตระกูลของตัวซะและตั้งหน้าพยายามทําความดีเถอะขอให้น้องหญิงเชื่อว่าการที่อาตมาไม่สามารถสนองความรักของน้องหญิงได้นั้นน่ยไม่ใช่เป็นเพราะอาตมารังเกียจเรื่องชาติเรื่องตระกูลของเธอเลยแต่เป็นเพราะอาตมานี่ย รังเกียจตัวความรักนั่นต่างหากละ่ะพระคินีเอยอันธรรมดาว่าความรักนั้นมันเป็นธรรมชาติที่เล่าร้อนอยู่แล้วถ้ายิ่งมันเกิดขึ้นในฐานะที่ผิดที่ไม่เหมาะสมก็อีกแล้วก็มันก็จะยิ่งเพิ่มแรงร้อนมากขึ้นเพียงใดการที่น้องหญิงจะรักอาตมาหรืออาตมาจะรักเธออย่างเสน่หาอะไรนั่นแหละเรียกว่าความรัก อันเกิดขึ้นในฐานะที่ผิดหรือไม่เหมาะสมขอให้เธอตัดความรักความอะไระเสถอะแล้วเธอจะพบความสุขความปลอดโปร่งอีกแบบหนึ่งซึ่งสูงกว่าประนีกว่า ถีาคุณูปัสสายะไว้เบื้องหลังด้วยความรู้สึกที่แปลกประหลาดท่านเดินลัดเลาะมาทางริมสระแล้วนั่งลงหน้าม้ายาวมีพนักตัวหนึ่งภิกษุผู้เป็นปัจฉาสมณ ก, กุณ์นั่งลงณนะริมสุดข้างหนึ่งพระอ น, นุทอนหายใจยาวและหนักหน่วงเหมือนจะระบายความหนัก อ, อกหนักใจออกมาสักบ้างครู่หนึ่ง ท่านจึงบอกให้ภิสุรูปนั้นกลับไปก่อนท่านต้องการจะนั่งพักผ่อนอยู่ที่นั่นสักครู่ถ้าพระาศาสดาเรียกหาก็ให้มาตามที่ริมสระนั้นท่านนั่งคิดทบทวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางครั้งก็รู้สึกสงสารพิษุนีโกกีฬาอย่างจับใจแต่ด้วยอัจฉริยะแห่งมหาบุรุษประดับด้วยบารมีธรรมนั้นตั้งหากละ่ะจึงสามารถข่มใจ และสลัดความรู้สึกสงสารอันนั้นเสียท่านปลารคกับตนเองว่าอานน์เธอเป็นเพียงโสดาบันเท่านั้นราคะโทสะและโงหนะยังไม่ได้ละเลยเพราะฉะนั้นอย่าประมาทอย่าเข้าใกล้หรือยอมพบกับพิสูจนิโกกีลาอีกธรรมชาติของจิตเป็นสิ่งดิ้นรนกลับกลอกง่าย บางครั้งปรากฏเหมือนช้างตกมัน อ, นอานนต์จงเอาสติเป็นขอสำหรับเหนียวร้างช้างคือจิตที่ดิ้นรนนี้ให้อยู่ในอำนาจบุคคลผู้มีอำนาจมากที่สุดและควรแก่การสังเสริญนั้นก็คือผู้ที่สามารถเอาตนของตนเองไว้ในอำนาจได้สามารถชนะตนเองได้พระาศาสดาตรัสว่าผู้ชนะตนเอง ได้ชื่อว่าเป็นยอดนักรบในสงครามเธอจงเป็นยอดนักรบในสงครามเถอะอย่าเป็นผู้แพ้เลยพระ อ, อนุนตร์ตรองและให้โอว่าตนเองอยู่พอสมควรแล้วก็เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคท่านไม่มีอะไรปิดบังสําหรับพระผู้มีพระภาคเพราะฉะนั้นท่านจึงกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้พระจอมมุนีสงสาร รวมทั้งที่ท่านปรารบกับตนเองและให้อาวาาตนเองนั้นด้วยพระมหาสมณะทรงทราบเรื่องนี้แล้วทรงประทานสาธุการแก่พระอานุ์แล้วตรัสให้กำลังใจว่าอานุ์เธอเป็นผู้มีบา ร, รมีอันได้สังสมมาดีแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแห่งเธอเรื่องที่เธอจะตกไปสู่ฐานะที่ต่ำกว่านี้นั้นเป็นไม่มีอีก แล้วพระสัจธรมุนีก็ส่งแย้มพระโอษณ์น้อยเมื่อพระอนนทูลถามสาเหตุที่ส่งแย้มพระโอษณ์นั้นจึงตรัสว่าอานน์เธอคงลืมไปว่าพระโสดาบันนั้นน่ะไม่มีการตกต่าเป็นธรรมดาจะต้องได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งเธอยาวิตกทุกข์ร้อนไปเลยพระอนน์มีอาการแ ช, ช่่ช่่่่่่่่่่่่่่่่ เพราะพระดำรัดประโรมใจของพระศ า, าสดานั้น นันเองพุทธบริษัทแห่งนครโกสัมพีผู้ใคร่ต่อธรรมถือดอกไม้ทูปเทียนและสุคันธชาติหลากหลายมุ่งหน้าสุโคสิตารามเพื่อฟังธรรมรถจากพระพุทธองค์เมื่อพุทธบริษัทค ร, รั่าพร้อมนั่งอย่างมีระเบียบแล้วพระภูมิพระภาคทรงอันตรวาศกซึ่งยอมไว้ด้วยดีแล้วทรงคาดพระกายพันธนาะอันเป็นประดุษสายฟ้า ทรงครองสุขคตมหาบังสุกุลจีวร อ, อันเป็นประดุจผ้ากำพลสีเหลืองหม่นสเสด็จออกจากพระ ก, กันทั ก, กุฎีสู่พรมสภาโดยพุทธลีลาอัน ง, งามยิ่งหาที่เปรียบนี้ได้ประดุจดีลาแห่งพญาช้างตัวประเสริฐและประดุจอาการเยื้องกลายแห่งไกลอรสิหราชเสด็จขึ้นสู่บรวรพุทธอาีิปูราดไว้ดีแล้วท่ามกลางมณฑลมาน ซึ่งประดับตกแต่งอย่างวิจิตรการตาทรงเปล่งพระจพันธ์รังสีประดุดพระอาทิตย์เปล่งแสงอ่อนๆบนยอดเขายุคคันธรเมื่อสมเด็จพระจอมมุนีเสด็จมาถึงพุทธบริษัทก็องเงียบกริบพระพุทธองค์ทรงมองดูพุทธบริษัทด้วยพระหฤทัยอันปรียมไปด้วยเมตตาทรงดำริว่าชุ่งนมนี้ช่างงามหน้าดูจริง จะหาคนขนองมือขนองเท้าหรือไม่เสียงไอเสียงจามไม่ได้เลยชนทั้งหมดนี้มีคาราวะต่อเรายิ่งหนักถ้าเราไม่พูดขึ้นก่อนแม้จะนั่งอยู่นานสักเท่าใดก็จะไม่มีใครพูดอะไรเลยแต่เวลานี้เป็นเวลาแสดงธรรมพระองค์ทรงดำริเช่นนี้แล้วจึงส่งข่ายแห่งพระยานของพระองค์ไปสำรวจพุทธบริษัทว่า ใครหนอจะสามารถบรรลุธรรมเบื้องสูงได้บ้างในวันนี้ทรงเล็งเห็นอุปนิสัยแห่งพิสุกนีโกคิลาวามียานแก่กล้าพอจะบรรลุธรรมได้พระพุทธองค์จึงทรงประกาศธรรมาจากอันประเสริฐโดยพระสุรเสียงอันไพเราะ ก, กังวานดังนี้ดูก่อนท่านทั้งหลายทางสองสายคือกามสุขขลิกานุโยก การหมกมุ่นอยู่ด้วยกาเมสุขสายหนึ่งและอัตตาิลามธานุโยกการทรมานกายให้ลําบากสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรมพึงละเว้นเสียควรเดินทางสายกลางคือเดินตามอริยมรตมีองแปลคือความเห็นชอบความลาเลดชอบการพูดชอบการทําชอบการประกอบอาชีพในทางสุจริต ความพยายามในทางที่ชอบการตั้งสตชิชอบและการทําสมาธิชอบดูก่อนท่านทั้งหลายความทุ ก, ทกเป็ น, ปนความจริงประการหนึ่งที่ชีวิตทุกชีวิตจะต้องประสบบ้างไม่มากก็ น, น้อยความทุกที่กล่าวนี้มีอะไรบ้างท่านทั้งหลายความเกิดเป็นความทุก์ความแก่ความเจ็บ ความตายก็เป็นความทุกข์ความแห้งใจหรือความโศกความร่ำไรลำพันจนน้ำตานองหน้าความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแข้นใจความพัดพลาจากบุคคลหรือสิ่งของอันเป็นที่รักความต้องประสบกับบุคคลหรือสิ่งของอันไม่เป็นที่พอใจปรารถนาอะไรไม่ได้ดังใจทั้งหมดนี้ ลว้วนเป็นความทุกข์ที่บุคคลต้องประสบทั้งสิ้นเมื่อกล่าวโดยสรุปการยึดมั่นในขันห้าด้วยปัญหาอุปทานนั่นเองเป็นความทุกข์อันยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าความทุกข์ทั้งมวลย่มสืบเนื่องมาจากเหตุก็อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นเรากล่าวว่าตัญหานั้นเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ ตัญหาคือความพยานอยากดิ้นรนซึ่งมีลักษณะเป็นสามคือดิ้นรนอยากได้อารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาเรียกกรรมาตัญหาอย่างหนึง่งนี่แหละคือสาเหตุแห่งทุกข์ขั้นมูลฐานดิ้นรนอยากเป็นนั่นเป็นนี่เรียกภาวะตัญหาอย่างหนึง่งดิ้นรนอยากผลักสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นแล้วเรียกวิภวะตัญหาอย่างหนึง่ง นี่แหละคือสาเหตุใงความทุกข์ขั้นมูลทางท่านทั้งหลายการสลักคืนโดยไม่เหลือซึ่งตัณหาประเภทต่างๆดับตัณหาคลายตัณหาโดยสิ้นเชิงนั่นแหละเราเรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์ได้ทางที่จะดับทุกข์ดับตัณหานั้นเราตถาคตแสดงไว้แล้วคืออริยมรรคมีองค์แปดท่านทั้งหลาย จงมีทาเป็นที่พึ่งเถิดย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยเราตถาคตเองเป็นที่พึ่งแก่ท่านทั้งหลายไม่ได้ตถาคตเป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางบอกทางเท่านั้นส่วนความเพียรพยายามเพื่อเผาบาปอากุศลท่านทั้งหลายต้องทําเองทางมีอยู่เราชี้แล้วบอกแล้วท่านทั้งหลายต้องเดินเอง พระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าในวันนั้นเหมือนเจาะจงเทศนาแก่พิษุณีโกกีลาโดยเฉพาะนางรู้สึกเหมือนพระองค์ประทับแก้ปัญหาหัวใจของนางให้หลุดร่วงสมแล้วที่ใครๆพากันชมพระพุทธองค์ว่าเป็นเหมือนดวงจันทร์ซึ่งทุกคนรู้สึกเหมือนว่าจงใจจะส่งแสงสีนวลไปให้แก่ตนเพียงคนเดียว กกีฬาพิสุนีทรงกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาปลดเปลื้องสังโยชน์คือกิเลสเครื่องร้อยรัดจิตใจทีละชั้นจนสามารถประหารกิเลสทั้งมวลได้สำเร็จมรรคผลชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งด้วยประการชะนี้ พฤกษชาติถูกสลัดร่วงลงและเหี่ยวแห้งอยู่บริเวณโคนต้นที่เน่าเปื่อยไปแล้วก็มีเป็นจำนวนมากใบอ่อนซึ่งผลิออกใหม่ดูสวยงามสล่างสล่าวมองดูเรียงรายเป็นทิวแถวน่าชื่นชมเมื่อฤดูนี้มาถึงแทบทุกคนรู้สึกว่าเหมือนได้อาศัยอยู่ในโลกใหม่นำค้างบนยอดหญ้าและใบไม้ยังไม่ทันเหือดแห้งเพราะยังเช้าอยู่ พระอาทิตย์เพิ่งจะยอแสงสาดพื้นพิภพมาไม่นานนะักล้มอ่อนในยามเช้าพัดเฉยจิวฮอบเอากลิ่นดอกไม้นาน า, นาพันธุ์ติดมาด้วยนกเล็กๆกระโดดโลดเต้นด้วยความสำราญจากกลิ่นนี้สู่กิ่งโน้นและจากกลิ่งโน้นสู่กิ่งนั้นพลางก็ร้องเหมือนเสียงทักทายกันด้วยความสุขสดชื่นรับอรุณ์รุ่งพระ อ, อนนุ์พุทธอนุชา เดินจงกรมพิจารณาธรรมอยู่ท่ามกลางบรรยากาศอันสดชื่นนี้พลางท่านก็คิดถึงสุภาษิตเก่าๆบทหนึ่งว่ากาก็ดำนกดูว่าก็ดำอะไรเล่าเป็นเครื่องแตกต่างระหว่างกาและนกดูว่านั้นแต่เมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงเข้ากาก็คงเป็นกานกดูว่าวก็คงเป็นนกดูว่าสาธุชนและทุรชน ก็มีรูปลักษณะคล้ายคลึงกันแต่เมื่อเปลงวาจาปราศัยจึงทราบว่าใครเป็นสาธุชนและใครเป็นธุระชนท่านค่ยครวนต่อไปถึงพระพุทธภาสิทธิที่เกี่ยวกับเรื่องนี้พระพุทธองค์เคยตรัสว่าที่ใดไม่มีสัตบุรุษที่นั่นไม่ชื่อว่าสภาผู้พูดไม่เป็นธรรมไม่ชื่อว่าเป็นสัตบุรุษ สุภาพสตรีผู้หนึ่งถือดอกไม้ธูปเทียนและข้าวยาคูเดินเข้ามาในบริเวณอารามเมื่อนางเห็นพระอนนท์จึงวางของลงแล้วนั่งลงไหวอุบาสิกาวันนี้มาแต่เช้าเถอหรือพระอนนท์พักอย่างสนิทสนมข้าพระเจ้ามีกิจพิเศษด้วยคือจะมาทูลลาพระาศาสดากลับไปอยู่บ้านเดิมกุสินาราพระคุณเจ้า และตั้งใจว่าจะลาพระคุณเจ้าด้วยก็พอดีพบพระคุณเจ้าที่นี่ทำไมเรืออุบาสิกาท่านเสนาบดีนะให้กราบพระคุณเจ้าเมื่อพระ อ, อนนท์ไม่ซักถามอะไรอีกนางก็นมรส ก, การลาแล้วเข้าเฝ้าพระภูมิพระภาคใจนางนะ่ะไม่สบายเลยไหนจะเป็นห่วงท่านเสนาบดีที่จะต้องอยู่โดยปราศจากนาง และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือนางปราถนาจะอยู่สาวกถีเพราะเป็นราช ธ, ธานนี้ที่พระพุทธองค์ประทับอยู่บ่อยที่สุดและนานที่สุดการได้อยู่เมืองที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นั้นเป็นกำไรชีวิตอย่างมากสำหรับความรู้สึกของนางเมื่อนางถวายบังคมแล้วพระศาสดาจึงทักว่ามลิกาวันนี้มาแต่เช้าเชียวมีธุระอะไรพิเศษหรือ หม่อมชั้นมาทูลลาพระองค์เพื่อไปกุศินาราพระเจ้าค่ะทำไมหรือท่านไสนาบดีให้กลับไปอยู่กุศินาราพระเจ้าค่ะมีเรื่องอะไรรุนแลกถึงต้องให้กลับทีหรือเรื่องก็มีเพียงว่าหม่อมชั้นและไม่มีบุตรท่านพันทุนลละนาบดีน่ะจึงให้กลับไปอยู่บ้านเดิมเขาบอกว่าหม่อมชั้นน่ะเป็นหมันเขาต้องการลูกเมื่อไม่สามารถมีลูกเข้าได้เนี่ย จึงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะอยู่ต่อไปเท่านี้เองรุ่มาลิกาเท่านี้เองนะพระเจ้าค่ะถ้าเพียงเท่านี้นะก็อย่าไปเลยอยู่ที่สาวัตถีนี่แหละขอให้บอกท่านเสนาบาดีตามคําของตถาคตนางมาลิกาได้ฟังพุทธดำรัสแล้วดีใจและก็โปร่งใจเหมือนนักโทษที่ถูกตัดสินประหารชีวิต และพระราชารับสั่งให้ปล่อยฉะนั้นนางถวายบังคมลาพระศาสดาเดินอย่างร่าเริงกลับออกมาทางเดิมพบพระอานนท์ยังเดินจงกรมอยู่จึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้พระอานนท์ทราบท่านกล่าวว่าอุบาสิกาท่านน่ะเป็นผู้มีโชคดีต่อไปนี้นะ่ะท่านปรารถนาสิ่งใดคงได้สิ่งนั้นสมประสงค์พระศาสดาไม่เคยตรัสอะไรที่ปราศจากเหตุ การห้ามของพระองค์น่าจะมีเหตุผลที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านจงเมาใจเถอะ ท่านเซพพันธุระเสนาบดีนี้เป็นสตรีที่มีบุญผู้หนึ่งในสมัยพุทธกาลมีเครื่องประดับที่มีค่าและทรงเกียริล้ำซึ่งเรียกว่ามหาลดาประสาทในสมัยเดียวกันมีสตรีอยู่สามคนเท่านั้นที่สามารถมีเครื่องประดับนี้คือนางวิสาขามหาอุบาสิกาคนหนึ่งนางมาริกาพัญญา พ, พันธุลเสนาบดีคนหนึ่งและธิดาแห่งเศรษฐีกรุงพาราณสีอีกคนหนึ่ง นางกลับไปหาท่านพันธุละด้วยอาการลิงโลดใจแจ้งเรื่องที่พระาศาสดาทรงทัดทานไม่ให้กลับไปกุศินาราพันธุละคิดว่าพระาศาสดาคงทรงเห็นเหตุสำคัญเป็นแน่จึงทรงห้ามเอาไว้เขาเชื่อในพระสัพพัญญุตยานแห่งพระพุทธองค์จึงพลอยดีใจกับชายาด้วยเข้าประคองมลลิกาด้วยความถนอมรักใคร่พลางกล่าวว่า การที่พี่บอกให้น้องกลับกุศินารานั้นจะเป็นเพราะไม่รักน้องก็หาไม่ได้น้องก็คงทราบ ว, าวงตระกูลน่ะเป็นสิ่งสําคัญตระกูลที่ไม่มีบุตรสืบต่อย่อมขาดศูนพี่ไม่ปรารถนาเช่นนั้นพี่เพียงทําตามประเพณีของพวกเราเท่านั้นหญิงที่เป็นหมัน้นย่อมให้สิทแก่สามีตนเพื่อมีหญิงอื่นเป็นธัญญาสําหรับมีบุตรสืบสกุลวงเพราะพี่รักน้องนะ่ะจึงไม่อยากให้น้องอยู่อย่างน่าชื่นอกตรม พี่ทราบกฎธรรมดาดีว่าไม่มีสตรีคนใดแล้วอยากเห็นสามีของตนนะมีพัญญาอื่นอย่างต่ำหูต่ำตาน้องนะเป็นสุดที่รักของพี่แต่ความจําเป็นคุณจะอยู่เหนือความรักไม่ใช่หรือมลิกาซบอยู่กับอกของพันธุละน้ําตาไหลพากลงอาบแก้มนางจะสะกดกลั่นอย่างไรก็สุดที่จะห้ามไม่ให้มันครั่งครูออกมา ความรู้สึกของนางสับสนวุ่นวายทั้งดีใจและเสียใจดีใจที่มีโอกาสได้อยู่รับใช้ใกล้ชิดสามีอันเป็นที่รักเสียใจที่นางไม่สามารถให้บุตรสืบสกุลแก่เขาได้ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งสอดแทรกเข้ามาก็คือรู้สึกสงสารและเห็นใจสามีนางพูดทั้งน้าตาว่าน้องนะเข้าใจพี่ดีและพร้อมที่จะทาตามคาบัญชาของพี่ น้องอ่ะได้มอบทั้งร่างกายและจิตใจให้พี่แล้วสิ่งที่น้องให้พี่ไม่ได้นั้นน่ะเป็นสิ่งสุดวิสัยจริงๆเท่านั้นในโลกนี้มีสิ่งอยู่เป็นจํานวนมากที่เราปรารถนาเหลือกเกินเพื่อจะได้แต่ก็ไม่ได้สมตั้งใจตรงกันข้ามมีสิ่งอยู่เป็นจํานวนมากนะ่ะที่เราอยากหลีกเลี่ยงและไม่พึงปรารถนาแต่ก็ประสบข้อจนได้ในโลกนี้นะ่ะมีใครล่ะที่จะสมปรารถนาไปเสทุกอย่างทุกชีวิตนะ่ะ ล้วนครุกเคล้าไปด้วยยาพิษและน้งตาลชีวิตมีทั้งความหวานชื่นและขื่นขมเรานะไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตแต่ทุกคนเกิดมาเพื่อเป็นทาสของชีวิตเป็นไปจนกว่าชีวิตนี้จะสิ้นไปทาไมน้องพูดรุนแรงถึงป่า น, นั้นละ่ะพันธุละทักท้วงเชยคางนางนเป็นที่รักให้เงยหน้าขึ้นมองซึ้งลงไปในดวงตาอันเศร้าซึมของมาริกา ซึ่งยังมีน้ําตาคลออยู่ก้องหลงจุมพิษเบาเพื่อปลอบใจให้นางสางโศกมือหนึ่งก็ลูบไล้ไปตามเรือนเกษาอัน อ, อนน่อนนุ่มสลวยเป็นเงางามเรื่อยลงมาถึงแผ่นหลังซึ่งอวบเต็มชีวิตนี้นะ่ะไม่มีอะไรรุนแรงนักหรอกความผิดหวังและความขมขื่นนะ่ะซึ่งมีเป็นครั้งคราวนั้นเป็นสิ่งที่ทาให้เราเห็นคุณค่าของความสมหวัง และความหวานชื่นถ้าไม่มีรสขมอยู่ในโลกนี้มนุษย์น่จะรู้จักคุณค่าแห่งรสหวานได้อย่างไงถ้าไม่มีบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าวคนจะรู้จักคุณค่าแห่งร่มพืกอันรื่นรมได้อย่างไงถ้าไม่มีสิ่งที่ชั่วมนุษย์นจะรู้คุณค่าของสิ่งที่ดีล่ะหรือน้องนะจงมองชีวิตในฐานะเป็นสิ่งรื่นรมและสร้างความหวังอันสดชื่นไว้เสมอเพื่อชีวิตนี้นะจะได้สดชื่นขึ้น จะไม่เป็นการหลอกลวงตัวเองไปหรือในเมื่อชีวิตนะ่ะไม่ได้เลื่อนลมจะมีเป็นการระบายสีให้แก่ชีวิตจนมองชีวิตที่แท้จริงไม่เห็นไปหรือน้องรักถ้าการหลอกตัวเองนั้นน่ะเป็นในทางที่ดีในทางสร้างสรรค์ให้ชีวิตนี้ชื่นสุขเราก็ควรจะหลอกลวงมนุษย์เรานะ่ะชอบหลอกลวงตัวเองไปในทางร้ายและเหตุร้ายก็อาจจะเกิดขึ้นได้จริง เมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมเราจะไม่ลองหลอกตัวเองไปในทางดีเพื่อผลดีจะเกิดขึ้นจริงๆบ้างละ่ะพระมโนมศาสาศดาก็ตรัสไว้ไม่ใช่รู้ว่าสำคัญที่ใจถ้าใจดีคิดดีทำดีและพูดดีแล้วผลดีก็ย่อมติดตามมาเหมือนเงาตามตัวบางทีพี่นะ่ะมีความเห็นดุนแรงถึงกับว่าในโลกนี้นะ่ะไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรเลวแต่ความคิดหรือความรู้สึกของเราต่างหากละ่ะ ที่ไปรู้สึกเช่นนั้นเขาเองด้วยกฎอันนี้นะ่ะน้องจะเห็นว่าในคนคนเดียวกันนะ่ะหรือในสิ่งสิ่งเดียวกันบางคนอาจจะชอบแต่บางคนอาจจะชังบางคนว่าดีบางคนว่าไม่ดีพี่เป็นอยู่อย่างนี้รูปร่างหน้าตาอย่างนี้เป็นที่รักของน้องแต่น้องก็คงทราบว่ายังมีคนเป็นอันมากนะ่ะที่ไม่รักพี่ไม่ชอบพี่ไม่เพียงแต่ไม่รักไม่ชอบเท่านั้นหรอกถึงจะเกลียดเอามากๆก็มีอยู่ไม่ใช่น้อย ถ้าพี่เป็นอย่างอื่นน่ะอาจจะเป็นที่รักที่พอใจของพวกหนึ่งแต่อาจจะเป็นที่เกลียดชังของน้องก็ได้แต่พี่ยอมนะน้องยอมให้ใครๆเกลียดได้โดยไม่สะทกสถานแต่ขอให้เป็นที่รักของมาริกาเท่านั้นมาริกายิ้มทั้งน้ำตา คืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงพอพระอาทิตย์อัสดงครู่หนึ่งดวงรัชนีก็โผล่ขึ้นเหนือทิวไม้ทางทิศตะวันออกลมต้นปฐมมยามให้ความชุ่มชื่นมิใช่น้อยกลิ่นดอกไม้จากอุทยานปลิวมาตามสายลมกระทบขานประสาทอันไว้ต่อความรู้สึกของปุตุชนผู้ติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสบนประสาทชั้นที่สมจะมองเห็นมนุษย์คู่หนึ่ง ยืนเคียงกันมองผ่านหน้าต่างออกไปทางตะวันออกคู่หนึ่งบุรุษผู้มีร่างกายกำยำสมเป็นนักบค่อยๆ ย, ยื่นแขนโอบประคองร่างสตรีผู้ยืนอยู่เคียงข้างมันิกาที่รักท่ามกลางสายลมแสงจันทร์และเกินดอกไม้จากอุทยานซ้ำยังมีมานิกาอยู่เคียงใกล้ช่นนี้ที่มีความสุขเหลือเกิน ดูเหมือนวันนี้นะ่ะเป็นอีกวันหนึง่งที่พี่มีความรู้สึกเหมือนวันแรกที่พี่และน้องนะ่ะอยู่ร่วมกันชันสามีพัญญาพี่ขอพูดซ้ำอีกครั้งเธอว่าพี่รักน้องเหลือเกินเขาดึงพัญญายอดรักเข้าสวมกอดด้วยความทนุถนอมต่อมามันลิกาตั้งคันและคลอดบุตรครั้งละสองถึงสิครั้งรวมสาสิบสองคน เป็นที่ชื่นชมสมใจของพันธุระและมรริกาเองยิ่งหนะักบุตรเหล่านี้ล้วนแข็งแรงมีพลานามัยสมบูรณ์และสำเร็จวิทยาการอันสูงยิ่งสมเป็นบุตรแห่งเสนาบดีแขวนมรคอันเกรียงไกร ลายและราชการแห่งพระเจ้ารเรษรที่โกสุนั่นเองข่าวใหญ่ก็เกิดขึ้นในราชธานีสาวัตถีเป็นข่าวที่แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วจากแควนหนึ่งสู่แควนหนึ่งจากเมืองน้อยสู่ตำบลและหมู่บ้านทุกแห่งประชาชนต่างโจทย์จันจะถึงข่าวนี้พันธุลักษณยนาบดีและบุตรสคนถูกฆ่าตายพิสุกกลุ่มหนึ่งในอารามเชตวันนั่งสนทนากันอยู่ วิภาควิจารณ์ถึงวรณกรรมของท่านพันธุลักษณ์ขณะนั้นเองพระอ น, น์ลพุทธอนุชาเดินผ่านมาเพศุลเหล่านั้นลุกขึ้นยืนรับและปูราอาอัสนะเป็นทนองเชื้อเชิญพุทธอนุชาพระอ น, นุลเมื่อ น, นั่งลงเรียบร้อยแล้วจึงกล่าวว่าอาวุโสท่านทั้งหลายกำลังสนทนาเรื่องอะไรคร้างอยู่ละ่ะข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายกาลังสนทนากันถึงเรื่อง มรณกรรมของท่านพันธุลเสนาบดีพระอานุ์มีอาการตรองเหมือนจะปลงธรรมสังเวชอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าอาวุโสมรณกรรมของท่านพันธุลเสนาบดีนั้นซึ่งความจรงิงท่านผู้นี้คือเจ้าชายแห่งนครกุสินารานั้นก่อความสะเทือนใจแก่ข้าพเจ้ามาท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่แล้วว่าครอบครัวขอท่านเสนาบดีรวมทั้งท่านเสนาบดีเอง มีความสนิทสนมต่อข้าพเจ้าพิงไรอันหนึ่งข้าพเจ้านั้นแม้จะเป็นพระอริยะบุคคลก็จริงแต่ก็เป็นเพียงอริยะขั้นต้นเท่านั้นยังหาตัดความโศกและความสะเทือนใจได้ไม่แต่ที่ยับยั้งอยู่ได้ก็ด้วยมีสติคอยเหนียวรั้งอยู่เพศสุกลุ่มนั้นมีอาการสงสัยเมื่อพระอานนท์พูดว่าพันธุลัสนาบดีเป็นเจ้าชายแห่งนครกุสินารา พระสุกรูปหนึ่งซึ่งมีลักษณะอาบุกโศกว่ารูปอื่นถามขึ้นอย่างนอบน้อมว่าข้าแต่ท่านผู้ทรงธรรมข้าพระเจ้าอ่ะสงสัยในคำกล่าวของท่านที่ว่าท่านพันธุละเสนาบดีเป็นเจ้าชายแห่งนครกุสินาราเท่าที่ข้าพระเจ้าทราบและเห็นมาข้าพระเจ้าเข้าใจว่าท่านพันธุละเป็นเชื้อไขแห่งราชธานีสาวกถีนี่เองเพราะเป็นเสนาบดีแห่งนครนี้ และก็เป็นที่รักของทวยนครแคว้นโกสนละเกินข้าพเจ้าไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าพันธุลักษ์สนาบดีนี้นะ่เป็นชาวกุศินาราโดยกำเนิดดูก่อนสักกยบุตรท่านทั้งหลายยังมีอายุน้อยและเป็นชาวแคว้นอื่นเพิ่งเดินทางมาสู่ราชธานีแห่งแคว้นโกสนไม่นานนักจึงยังหาทราบความเดิมแห่งท่านเสานาบดีไม่ถ้าท่านทั้งหลายประสงค์ ข้าพเจ้าก็จะเล่าให้ท่านฟังแต่เพียงสังเขปเมื่อพิสูจน์เหล่านั้นแสดงอาการยอมตามและวิงวอนเพื่อให้ท่านเล่าความเป็นมาแห่งพันธุละไสนาบดีแล้วพระอนุจึงกล่าวว่าพระราดร น, นับถอยหลังไปจากนี้ประมาณสาสิบปีเสรเมื่อท่านพันธุละไสนาบดียังอยู่ในวัยหนุ่มและสําเร็จการศึกษาจากสํานักตะกศิลาแล้วกลับสู่กุสินาราคนครนั้น แล้บการต้อนรับจากพระชนกชนนีและพระประยุรญาติยังมโหรานสมพระเกียรติแห่งพระราชกุมารพันธุละเป็นเจ้าชายรูปงามเสียสละอดทนและรักเกียรติเป็นราชประเพณีที่ราชกุมารผู้สำเร็จการศึกษามาจะต้องแสดงศิลปาศาสตร์ให้ปรากฏแก่พระประยุรญาติและทวยนาครวิชาที่พันธุละชนานาญมากก็คือ วิชาฟันดาบและยิงธนูเมื่อมีการทดลองฟันดาบพระยาดได้นําไม้ไผ่มามัดรวมเข้าด้วยกันมัดห ล, ลายลําและยกให้สูงขึ้นแล้วให้พันธุลกุมารกระโดดขึ้นไปฟันพันธุละฟันมัดไม้ไผ่เหล่านั้นคาสะบัน้นเหมือนฟันต้นกล้วยแต่บังเอิญได้ยินเสียงดังกริกในไม้ไผ่มัดสุดท้ายเมื่อพันธุละกกระโดดลงมาแล้ว ถามทราบความว่าเสียงกริ๊กนั้นเป็นเสียงของซี่เหล็กที่พระญาตแกล้งใส่ไว้ได้มัดไม้ไผ่ทุกๆกลำพันธุละเสียใจว่าพระญาตของพระองค์ไม่มีใครหวังดีกับพระองค์เลยจึงไม่บอกล่วงหน้าว่าได้สอดซี่เหล็กไว้ในลําไม้ไผ่ด้วยถ้าพระองค์ทรงทราบล่วงหน้าจะฟันไม่ให้มีเสียงดังเลยจึงกราบทูลพระชนกชนีว่า จดฆ่ามรรกษัตริย์แห่งกุสินาราให้หมดและจะเป็นกษัตริย์เองเมื่อถูกพระมารดาทัดทานไว้และตรัสว่าเป็นสิทธิ์ของพระประยุร ย, ย่าที่จะทำอย่างนั้นได้พันธุละจึงไม่ปรารถนาจะอาศัยในกุสินาราต่อไปเพราะรู้สึกอับอายที่ฟันไม้ไผ่ให้มีเสียงดังอาวุโสธรรมดาของชายใจเสิ่งนั้นย่อมรักเกียรติและศักดิ์ศรียิ่งนัก จะไม่ยอมอยู่ในที่ไร้เกียรติเพราะฉะนั้นเมื่อรู้สึกตัวว่าไม่มีเกียรติพอในกุศินาราท่านพันธุละจึงตั้งใจจะไปอยู่เมืองอื่นแต่จะไปไหนทรงระลึกถึงพระสหายร่วมสำนักศึกษารุ่นเดียวกันอยู่หลายคนในที่สุดทรงมองเห็นประเสริฐทีกุมารแห่งสาวถีว่าพอจะอาศัยอยู่ได้เพราะเป็นพระสหายที่รักใคร่กันมาก และพระเศนที่กุมารก็ทรงมีอัธยาศัยดีจึงส่งสารไปทูลความทั้งหมดให้ประเศนที่ราชา ส, งสา่งทราบพระเจ้าประเศนที่โกศลทรงพอพระทัยยิ่งนักที่จะได้พระสหายร่วมสํานักศึกษาและปรากฏเป็นผู้มีฝีมือเป็นเลิศมาทําราชการในราชสํานักแห่งพระองค์อย่าง น, น้อยๆพันธุนลักษณ์คงจะเป็นที่ปรึกษาของพระองค์อย่างดีเลิศทีเดียวพระเจ้าประเศนที่โกศล ทรงให้จัดการต้อนรับพระสหายยังมหโาณและทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเสนาบดีเป็นที่ปรึกษาราชการทั้งปวงพันธุลธรัมทำราชการด้วยความรู้ความสามารถอย่างดีเยี่ยม พันธุละกลับจากธุรกิจบางอย่างและผ่านมาทางโรงวินิจฉัยเมื่อประชาชนเห็นท่านพันธุละจึงขอร้องให้หยุดและให้ช่วยวินิจฉัยความเพราะคำวินิจฉัยของผู้พิพากษาไม่เป็นที่พอใจของคู่ความด้วยว่าผู้พิพากษากินสินบนคู่ความข้างใดสามารถให้เงินทองแก่ผู้พิพากษาคู่ความข้างนั้นก็จะชนะส่วนฝ่ายที่ยากจนไม่มีเงินทองแม้จะถูก ก็กลับกลายเป็นฝ่ายผิดประชาชนเดือดร้อนและขมคืนมาเป็นย า, านานสุดที่จะทนได้อาวุโสธรรมดาว่าความอดทนของปุถุชนนั้นย่อมมีขอบเขตเมื่อเลยขอบเขตที่จะทนได้ต่อไปก็จะระเบิดออกมาและจะกลายเป็นผลร้ายอย่างยิ่งแก่ผู้ถูกกดขี่ทารุณแต่มีความชอกช้ำและขมคืนได้เล่าเสมอด้วยการไม่ได้รับความยุติธรรม อยุติธรรมนั้นน่ะจะถูกจดจำฝังใจของผู้ได้รับไปตลอดชีวิตนึกขึ้นที่ไรมันเหมือนปลายหอกขวางอยู่ที่อกแต่ผู้เป็นใหญ่ที่จะทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมนั้นก็คือผู้ติดตั้งมั่นอยู่ในธรรมรู้จักละอายใจในการแสวงหาความสุขสําราญบนความเดือดร้อนของผู้อื่นด้วยเหตุนี้พระศ า, าสดาจึงตรัสว่าความละอายใจในการทําชั่ว และความกลัวต่อผลอันเผ็ดร้อนของความชั่วสองประการนี้เป็นธรรมคุ้มครองโลกให้สงบสุขโอกาสสำหรับการทาชั่วนั้นย่อมมีอยู่เสมอสำหรับผู้ขาดธรรมปราศจากธรรม